เมื at, ่อเธอครอบงำความใคร่ในอาหารเหล่าน you know, so ี so Man, ้ได้อย่างนี Haw ้ชื่อว่าย่อมกำหนดรู้อาหารสี่อย่างเมื่อกำหนดรู้อาหารเหล่านี้กำหนดรู้อะไรคือการกำหนดรู้อาหารได้เนี่ยคือยาตะปริญญาถ้ากำหนดรู้พิษภัยทุกโทษของอาหารเหล่านั้นได้เป็นตีระณะปริญญามันเมื่อกำหนดรู้อาหารเหล่านี้อย่างนี้แล้ววัตถุที่กำหนดรู้แมทั้งหมดก็เป็นอันกาหนดรู้แล้วเหมือนกันก็เท่ากับกาหนดรู้วัตตะในภูมิสามแล้ว ดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายกําหนดรู้กับพลินกระหานคือรู้สภาพที่แท้จริงของกับพลินกระหานแล้วราคาที่อาศัยกามคุณหตัณหาที่ชอบรูปเสียงเปลี่นรสโพธิภะทั้งหลายก็เป็นอันถูกกําหนดรู้แล้วเมื่อกําหนดรู้ราคาที่อาศัยเบญจาการมคุณแล้วจะไม่มีสังโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้ อริยาสาวกผู้ประกอบแล้วกลับมาสู่โลกนี้อีกก็หมายความว่าสามารถตัดฉันทราค่าในการมคุณทั้งห้าได้อย่างเด็ดขาดก็บรรุปเป็นพราอนาคามีไม่ต้องกลับมาปฏิสนธิในโลกนี้โดยประการทั้งปวงเลยนะก็พรหมโลกทัานถ้ารอบรู้ในเรื่องกับพลิงกระหานจริงๆเนี่ยนะจะตัดเยื่อใยในมหาพูได้จะตัดเยื่อ ใ, ใดดยอ ใ, ในการมคุณทั้ง5้าได้เพราะรู้ว่า ที่สุดของกรมคุณเหล่านั้นมันจบลงที่ไหนที่จบลงที่ไหนถ้ารู้อย่างนั้นและลักษณะเป็นผู้ที่รอบรู้จริงๆก็สามารถตัดชันนราคะแล้วไม่กลับมาปฏิสนธิในโลกนี้ได้ถ้าคนที่ตัดชันนราคะได้หมดแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าคิดถึงตรงไหนแล้วใจมันจะยินดีไม่มีคือคือวิธีคิดง่ายๆว่าคนที่จะกลับมาสู่โลกนี้ได้อีกนะคิดง่ายๆว่าจะกลับมาอีกหรือไม่ คิดตรงไหนก็น่าเพลิดเพลินไปหมดตรงนั้นก็น่าดูตรงนี้ก็น่าชมตรงนั้นก็น่ายินดีอาหารด้านนั้นก็อร่อยเป็นตน้นเนียะสีอันนั้นก็สวยผ้านี้ก็ไม่เลวที่นั่นก็ดีวิวงามสิวสวยคือพูดอย่างเนี้ยอันใดอันหนึ่งก็นั่นแหละเครื่องหมายว่ามาอีกแน่นอนจะไปไหนเนี่ยนะจะไปไหนโลกเดี๋ยวก็กลับเรือนเดี๋ยวก็กลับรังว่างันไหนเพราะอะไรเขาเพลิดเพลินมันน่าเพลิดเพลินไปหมดเลยถ้าอย่างเงี้ยประกาศถึงว่าเป็นคนที่ไม่ได้ไปไหนโลกเนีนะ ก็ถ้าว่าอย่างว่า ว, วันวันหนึ่งจิตใจครุ่นคิดอยู่กับรูปเสียงเกลื่อนรสไม่ได้เคยคิดจะออกเลยเนี่ยนะจะไปไหนล่ะเพราะอารมณ์ทั้งหลายเป็นที่ยินดีของจิตทั้งกรรมจิตที่เรียกว่ากรรมมะวิญญาณและปฏิสนธิวิญญาณมันจุติเมื่อไหร่ก็คิดถึงสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอารมณ์ของพบใหม่ได้ทุกห้นทุกแห่งไปหมดเลยแต่ถ้ากําหนดรอบรู้อารมณ์คือรูปเสียงเกลื่อนรสจะตัดฉันทราฆาในสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าตัดฉันทราฆาในสิ่งเหล่านั้นได้จริงก็ไม่ต้องกลับมาสู่ โลกนี้ละอีกนะไม่มีแรงดึงดูดของโลกนี้ให้ดูดกลับมาอีกแล้วแต่จริงๆนะถ้าตัดฉันตราคาในอาหารนะไป อ, อยู่ที่ไหนเนี่ยนะเขามาวันหนึ่งขึ้นขึ้ น, นไปธุระที่นนะกันะ ก, ก็อยู่บนเครื่องเขาก็เสิร์ฟอาหารกันมาเป็นมื้อเย็นเลยพระไม่ได้ฉันอะไรนั่งพิจารณาบอกโอ้หนี่ขนาดขึ้นมาสูงกันสิกว่ากิโลเนี่ยนะก็ยังมีอาหารแรงดึงดูดของโลกนี้มันแรงจริงๆเลยนะ มันก็ไปไหนก็พ้นอาหารใช่ไหมพ้นอาหารแล้วที่มาของอาหารมันอยู่ที่ไหน <S <S นะถ้าปฏิสนธิแล้วจะไปไหนก็มาวนๆอยู่ในโลกนี้แหละเพราะอะไรเพราะแรงของอาหารเนี่ยนะกลิ่นของอาหารมันดึงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะถูกผูกทวารจมูกเอาไว้ถูกโซ่เนี่ยผูกไว้10เส้นนะผูกไว้กับกลิ่นนะนะถูกโซ่สิเส้นผูกลิ้นเอาไว้กับรสเนี่ยนะแล้วจะไปไหนถ้าจูติและปฏิสนธิจะไปไหนไปที่ที่มันไม่พ้นอาหารอ่ะ ไปที่ที่สมมติถ้าติดในรูปก็ไปในที่ที่ไม่พ้นรูปถ้าติดในเสียงก็ไปในที่ที่ไม่พ้นเสียงใจมันก็วนๆอยู่อย่างนั้นเมื่อใจวนๆอยู่อย่างนั้นก็ปัญหาของรูปเสียงสารพัดชนิดก็ต้องเข้าไปรับปัญหาของรูปก็เข้าไปรับปัญหาของเสียงปัญหาของกลิ่นปัญหาของลิ้นของรสปัญหาปากปัญหาท้องก็เข้าไปรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะมันก็แต่ถ้ารอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นจริงก็ใจก็น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้ คนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะต้องมีอัธยาศัยอันหนึ่งเรียกว่าวินิสรณับอธยาศัยมีอัธยาศัยที่สลัดออกถ้าไม่สลัดออกไม่รู้เลยว่าโอชีวิตข้างหน้าเนี่ยทุกทั้งนั้นเลยเนี่ยนะถ้าเราสลัดออกก็พ้นทุกถ้าออกก็สุขถ้าอยู่ก็ทุกถ้าออกก็สุขถ้าอยู่ก็ทุกเราจะสุขหรือจะทุกก็แน่เอาดูคุยกับใจเอากันแล้วกันว่าจะทุกพาไปหรือว่าจะจะไปหาสุขหรือจะไปหาทุกกันแน่มุ่งไปไหน ก็ใจดูวันหนึ่งก็มาแบ่งว่าเอ๊วันออกเนี่ยใจที่คิดจะออกเนี่ยยีวันหนึ่งยี่สิบี่ชั่วโมงคิดจะออกกี่นาทีดีก็ามาสะสมอัธยาศัยที่จะคิดจะออกจากเคยคิดจะออกแค่วันหนึ่งแวบเดียวอุ้ยเคยคิดจะออกนะเมื่อหลายปีก่อนโน้นครั้งเดียวที่เหลือคิดอยู่มาตลอดเลยเงนะถ้าอย่างนี้ก็ อ, อ, กอีกนานแต่ก็ต้องมาไล่ดูว่าเออวันหนึ่งเนี่ยคิดจะออกกี่กี่นาทีดีนะจากเคยคิดจะออกหนึ่งนาทีก็กลายเป็น2นาทีสมนาทีสิบนาทีชั่วโมงสองชั่วโมง ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเขาทำยังไงเขาคิดจะออกเว้นแต่หลับเท่านั้นเองพระอรหันเนี่ยนะพระที่จะปฏิบัติบรรลุธรรมว่าเขาจะบรรลุเนี่ยเขาจะบรรลุวันนี้ก็แปลว่าใจเขาพร้อมที่จะออกได้เสมอเขาไม่ไออกหาช่องออกอยู่ตลอดเวลานี่การที่จะหาจะออกได้จริงๆอ่ะต้องหาเหตุผลที่จะออกนะเหมือนเราจะปฏิเสธไม่รับบางอย่างเราเห็นพิษภัยทุกโทษของสิ่งนั้นแล้วนะหาเรื่องปฏิเสธว่ายังไงดีนะก็หาช่องเนี่ย เหตุผลไม่เอาหนึ่งสอสามีเหตุผลที่ไม่เอารูปเอาเสียงเอาเกล่นไม่เหตุผลที่ไม่ต้องการวัตตะอธิบายเลยหนึ่งสองสามี่ห้าหแต่มีข้อร้ายแรงที่หนึ่งที่รับไม่ได้เลยนะหาช่องตัวนั้นจะได้สลัดออกสักทีบอกว่าปลดสักทีหนึ่งก็เหมือนอย่างว่าในผ้าขี้เรีวมาเพลินหนึ่งอะนะผ้าขี้เรีวมาแกะดูมันก็ดูดีเหมือนกันนะ ก็ดูแหวกดูก็มีแต่คริ้วรอยมีแต่คราบเลือดคราบเนื้อคราบหนอนคราบอะไรเป็นต้นยิ่งแหวกเท่าไหร่ก็ยิ่งโอ้ยจนในที่สุดก็สลัดทิ้งไปเลยเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันก็กว่าที่จะสลัดวัตตะออกไปได้ตัดฉันธราคะได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องกลับมาปฏิสนธิในโลกนี้เองอาจจะมาฟังธรรมบ้างมาอะไรบ้างแต่แมมคนที่อยู่ในโลกนี้นะมันโอ้ยนี่มันสวรรค์ชัดๆจะออกไปไนะนี่มันดีที่สุดแล้วเนี่ยนะจะออกไปไหนเนี่ยนะีบ้านเมืองเรามันดีที่สุดแล้วเนี่ยเรอยู่อย่างนี้ใช่ไหม โอ้ยมันก็ดีๆหมดเลยนะก็ตอนที่มันดีตอนตอนที่ไม่ดีก็หมดแต่เครียดก็เลยลืมหมดเองนะปัญญาก็เลยไม่เกิดพอเจอแต่ตอนดีก็เพลินพอเจอตอนที่ไม่ดีก็เครียดก็เลยลืมอีกไม่มีโอกาสเลยนะเพราะว่าไม่สะสมปัญญาฉั้นสู่ต่างมายาปัญญาที่ได้ยินได้ฟังนั้นจึงมีประโยชน์มากจะได้สั่งสมอัธยาศัยว่าหาช่องทางที่จะออกหาช่องทางปฏิเสธวัตตะคือใจจริงอะตอนนี้อาจจะยังเพลิดเพลินบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่า ตั้งไว้เลยว่าจะปฏิเสธวัตฏะได้อย่างไรเนี่ยนะฮะช่องปฏิเสธวัตฏะได้อย่างไรที่จะออกจากกามคุณห้าเนี่ยหาช่องหาทางตอนนี้ยังออกไม่ได้ยังมีเหตุผลหลายเรื่องที่ที่จะต้องเหมือนอะไรนะใจจริงก็ไม่ชอบหรอกแต่ว่าแหมมันข้อบผูกพันก็อย่างนั้นนะก็ว่ากันไปอยากบวชอยู่เหมือนกันแต่มันต้องติดเลี้ยงลูกในท่านก่างั้นเออเลี้ยงให้เสร็จก็แล้วกันนี่มาดูภาษาหารดูกฎพิสูจน์ทั้งหลาย เมื่อกําหนดรู้ผัสสะหารแล้วเวทนาทั้งสามก็เป็นอันเธอทั้งหลายกําหนดรู้แล้วเมื่อเธอกําหนดรู้เวทนาทั้งสามแล้วเราจะถาคตกล่าวว่าอริยสาวกไม่มีกิจอะไรที่จะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกแล้วถ้ากําหนดรู้เวทนาทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาดับราคะในสุขเวทนาดับโทสะในทุกขเวทนาดับโมหะในอทุกขมสุขเวทนาถ้าทําได้ตามนี้แล้ว ก็ไม่มีอะไรจะทํายิ่งกว่า น, นี้อีกแล้วเขาเรียกว่เวทคูพูดถึงเวทเนี่ยนะพูดถึงเวทก็คือผู้ที่กําหนดรู้เวทนาเหตุเกิดของเวทนาความดับเวทนาและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาก็ถึงที่สุดแล้วที่สุดแห่งความรู้ก็คือการทําปริญญาในเวทนาเนี่ยสา ม, มารถตัดฉันทะราคะในเวทนาทุกขเวทนาเห็นสุขโดยความเป็นทุกขเห็นทุกโดยความเป็นโลกสวรเห็นอทุทคมาสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็สงบราคะโทสะโมหะเที่ยวไปเนี่ยนะ ก็สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปลุนไปเป็นธรรมนาอริยาสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาและอาทุกขมสุขเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนับถ้าคลายกำหนับจากเวทนาได้ก็ไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้อีกแล้วเพราะเราไปแสแวงหารูปเสียงเกลิน่นรสจริงๆทั้งหมดเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเวทนา ทำทุกอย่างเพื่อสะสมทวารตาทวารหูก็เพื่อบำเรอเวทนานี่แหละถ้ากำหนดรอบรู้ตัดฉันทราคาในเวทนาได้หมดแล้วก็ไม่มีอะไรจะทํายิ่งกว่านี้อีกแล้วนัถ้าคิดแบบนี้ก็มีวันจบเมันกันนะออจบเป็นเหมือนกันนะถ้าเรากําหนดรู้เวทนาได้นะตัดฉันทราคาในสุขเวทนาตัดละโทสะในทุกขเวทนามีวิชาในอุเบกขาเวทนาได้จบแน่จบแน่ทำที่สุดแห่งทุกแน่นะั่นะ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อกําหนดรู้มโนสัญเจตนาหานแล้วตัณหาสามอย่างก็เป็นอันกําหนดรู้แล้วเมื่อกําหนดรู้ตัณหาสามแล้วเราจะทาคตกล่าวกล่าวว่าอริยสาวกไม่มีกิจที่จะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้อีกคําว่ากําหนดรู้นี่กําหนดรู้ด้วยสมุทเฉ ท, ทะปะหานะเนี่ยนะสมุทเฉ ท, ทะปะหานหรือเรียกว่าปริญญาโดยอริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคเกิดขึ้นอนาคามิมาโซดาปฏิมรรคตัด วิภวะตันห า, านนโสดาปติมักนี้กำจัดวิภวะตันหาอนาคามีมักนี้กำจัดกามตันหาอรหัตมักกำจัดภวะตันหาที่ยินดีในรูปภพอรูปภ พ, ปภพมันคําคว่ากําหนดรู้นี่หมาว่ากําหนดรู้ด้วยการละตันหาสามได้ถละตันหาสามตัดความเยื่อใยในวัฏฏะก็ไม่มีกิจอะไรที่จะต้องทํายิ่งกว่า น, นี้อีกแล้วนะกิจของการปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์ก็คือปฏิบัติเพื่อกําจัดเหตุแห่ง ทุกข้ากําจัดเหตุแห่งทุกเสร็จแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องทําอีกแล้วเนี่ยนะจบมางั้นทํากิจ16เสร็จแล้วดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อกําหนดรู้วิญญาณอาหารแล้วนามรูปก็เป็นอันกําหนดรู้แล้วเมื่อกําหนดรู้นามรูปแล้วตถาคตก็กล่าวว่าอริยาสาวกไม่มีกิจอะไรที่ต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะมันถ้ากําหนดรู้นามรูปในภพสามได้แล้วเนี่ยนะ อรูปประพบนี้มีแต่นามอาสัญญสัตตาพรมก็มีแต่รูปในปัญจโวการพบก็มีทั้งนามและรูปถ้ากำหนดรูน้นามรูปในภูมิสามด้วยยาตะตีรณนะตนถึงปหาณนะปริญญาสลัดออกจากนามรูปในวัฏฏะในภูมิสามก็ไม่มีกิจอะไรที่จะต้องทําให้ยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ได้อันนี้เรียกว่ารอบรู้ในอาหาร ในสูตรมีอะไรนะอาหารอาหารสมุไทยอาหารนิโรธอาหารนิโรธถามินีปฏิปทาคำว่าอาหารเฉยๆเนี่ยนะคำอธิบายตั้งกี่หน้ามาแล้วอาหารเฉยๆเนี่ยนะตั้งแต่หน้า566ถึงหน้า580นี่คำว่ากำนรู้อาหารยังไม่ได้พูดอาหารสมุททยใน581กล่าวถึงอาหารสมุทยาตันหาสมุทยาอาหารสมุทโย อาหารเกิดเพราะตันหาเกิดเพราะตันหาเกิดนั่นแหละจึงมีอาหารถ้าไม่มีตันหาไม่มีอาหารโรคนี่ยนะอธิบายว่าเพราะตันหาเก่าก่อนเกิดขึ้นตันหาในอดีตนะตันหาในชาติก่อนนั่นแหละเป็นปัจจัยแห่งการเกิดแห่งอาหารทั้งหลายที่มีนับตั้งแต่ปฏิสนธิอาหารเนี่ยนะมีตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มมีตั้งแต่ขณะปฏิสนธิเลยขณะปฏิสนธิเนี่ยวิญญาณอาหารก็เกิดขึ้นในชะ่ไหม ขณะปฏิสนธินี้วิญญาณอาหารก็เกิดขึ้นจะมีโอชาที่เกิดขึ้นแล้วภายในรูปสามสิบท่วนที่สามารถเกิดด้วยสามารถแห่งสัน ต, ติสามอย่างคือกายทัศกะภาวะทัศกะและหัตยทัศกะพันกับพลิงกราหานที่เป็นอุปาทินกะรูปมีใจครองเกิดขึ้นแล้วเพราะตันหาเป็นปัจจัยส่วนผัสสาหารมโนสันเจตนาอาหารและวิญญาณอาหารที่เป็นอุปาทินกะเหล่านั้นคือที่เป็น วิบาบจิตปฏิสนธิเนี่ยนะภาษาเจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยปฏิสนธิจิตและวิญญาณก็คือตัวจิตเองเกิดขึ้นแล้วเพราะตันหาเป็นปัจจัยดังนี้แลพึงทราบการเกิดขึ้นแห่งอาหารทั้งหลายที่มีในปฏิสนธิเพราะตันหาเก่าก่อนเกิดขึ้นดังพณ น, นามานี้ น, นะตันหาในอดีตเป็นปัจจัยให้มีอาหารสี่ในขณะปฏิสนธิขณะ แต่เพราะเหตุที่ในอาหารวาระพระสารีบตรกล่าวถึงอาหารคละกันทั้งอาหารที่เป็นอุปาทินกะคือกรรมมชรูปและที่เป็นอนุปาทินกะคือจิตตชรูปฉะนั้นควรทราบการเกิดขึ้นแห่งอาหารเพราะตัณหาเกิดอย่างนี้เพราะอาหารทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินกะดังต่อไปนี้อันที่จริงโอชะมีอยู่ในรูปทั้งหลายที่ตั้งขึ้นแต่จิตที่สหรคตด้วยโลภะแปดวงคือกัพลิงกะาหันที่เป็นอนุปาทินกะ กับพลิงกระหานที่เกิดจากจิตตชรูปเกิดขึ้นแล้วเพราะตัณหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับปัจจัยส่วนภาษาเจตนาที่สัมปยุตจิตที่เป็นโลภะหนึ่งวิญญาณคือตัวจิตหนึ่งรวมทั้งสอย่างเหล่านี้ได้แก่ภาษาาหารมโนสันเจตนาหารและวิญญาณหารที่เป็นอนุ บ, บาตินกะเกิดขึ้นแล้วเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยดังนี้แล เดี๋ยวเขียนให้ดูนิดหนึ่งนะว่าอาหารที่มีอ่ะนะอาหารที่เป็นอุปาทิ น, นกะอาหารที่เป็นอุปาทิ น, นกะเนี่ยนะเกิดขึ้นคือตันหาในอดีตนะตันหาในอดีตเป็นปัจจัยแก่อะไรเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิปฏิสนธินี่แบ่งออกเป็นสองรประปฏิสนธิจิตกับปฏิสนธิกรรมชรูป ขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นนี่มีองค์ประกอบคืออันนี้เขาบอกว่าจิตตรงนี้ยกมาแค่สามตัวนเนี่ยนะอันนี้สมมตินี้เป็นจิตนะปฏิสนธิจิตอันนี้ภัสสะแล้วก็เจตนาอันนี้ก็เช่นเวทนาเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสัญญาเป็นต้นเนี่ยนะก็มีเจตสิกอื่นๆอีกเยอะแยะจิตตัวนี้เรียกว่าปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตตัวนี้เรียกว่า วิญญาณอาหารวิญญาณอาหารภาษาตัวนี้เป็นภาษาอาหารเจตนาตัวนี้เป็นมโนสันเจตนาอาหารส่วนในกรร ม, มชรูปเกิดขึ้นเนี่ยมีรูปอยู่สามกลุ่มเพราะว่าในในปฏิสนธิขเ น, นี่ยนะเพราะรูปเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นมีรูปอีกสามกลุ่มเกิดพร้อมกันอันนี้เป็นหัทยาทักะ อันนี้ก็เป็นภาวะทัศกะอันนี้ก็เป็นกายะทัศกะนี่ในเนี่ยมันจะมีรูปอยู่10รูปทาศกะแปลว่า10รูปในเนี่ยมันจะมีโอชาอยู่ด้วยโอชาในหัทยะทัศกะโอชาในภาวะทัศกะโอชาในโอชาในกายะทัศกะเ้าเรียกว่าสันตติสนะสันตติสก็คือหัตยะทัศกะ ภาวะทัศกาและโอชาทัศกาเนี่ยนะทีนี้ไอหะทะยะเนี่ยมันมีหะทะยะหะทะยะกับจิตเจตสิกเนี่ยเป็นอัญญามัญญะหมายมว่าเป็นปัจจัยแก่กันและกันแต่ว่าปฏิสนธิจิตเหล่านี้เนี่ยนะปฏิสนธิจิตเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่รูปทั้งสามสิบกลุ่มเป็นปัจ เ, เป็นปัจจัยแก่รูปทั้งสามกลุ่มเพราะนั้นตัณหาในภพก่อนเป็นปัจจัยสรุปว่า ปฏิสนธิในพบนี้เนี่ยนะอาหารสี่คือวิญญาณอาหารภาษาาหารมโนสัญเจตนาอาหารและกัเพลิงกราหานมีตันหาในอดีตชาติเป็นปัจจัยเนี่ยนะมีตันหาในอดีตชาติเป็นปัจจัยอันเพราะอ า, อาเพราะตันหาเกิดอาหารเหล่านี้จึงเกิดตันหาในก่อนเี่เป็นสมุทัยสัจจะปฏิสนธิทั้งหมดที่อันนี้ยกตัวอย่างในขณะปฏิสนธิอันนี้เป็นทุกขสัจจะก็ว่า อาหารเกิดเพราะนนะตันหาเกิดอันนี้อาหารเหตุเกิดของอาหารนนก็ทีนี้ถ้ยเป็นอนุปาทินกะขณะที่เป็นอนุปาทินกะก็คือโลภะแปดดวงโลภะแปดดวงนี้ทำอะไรจิตตะชรูปขณะที่จิตตะชรูปเกิดขึ้นมันประกอบไปด้วยปฐวีอาโปเตโช แล้วก็วายโยพวกนี้เป็นเขาเรียกว่ามหาภูติรูปรูปอาศัยคือรูปกลิ่นรถโอชาเนี่ยนะไอโอชาตัวนี้คือกะพลิงกรหารนะโอชาตัวนี้คือกะพะลิงกะราหารทีนี้ในขณะที่โลภมูลจิต8เนี่นยนะนีโลภจิต8มันจะมีภาษาเกิดร่วมด้วย มีเวทนาเกิดร่วมด้วยมีเจตนาเกิดร่วมด้วยจิตตัวนี้มีโลภะเป็นปัจจัยโลภะก็คือตัณหาอันเดียวกันโลภะคือตัณหาโลภะตัวนี้เป็นปัจจัยแก่วิญญาณอาหารคือจิตโลภะตัวนี้เป็นปัจ จ, จัยแ ก, าาแก่ภาษาที่เกิดร่วมด้วยคือภาษาาหารโลภะตัวนี้เป็นปัจจัยแก่เจตนาเรียกว่ามโนสัเจตนาหาร โลพาอันนี้ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่โอชาหรือเกิดจากกิจตชรูปเนี่ยนะโอชาที่เรียกว่ากาพิริกราหานอันนี้เป็นตันเพราะตันหาเกิดอาหารจึงเกิดที่เป็นอนุปาทินกะอันนี้เรียกว่าอนุปาทินกะเพราะไม่ได้เกิดจากกรรมแต่ปฏิสนธิเป็นต้นเนี่ยนะถ้าพูดปฏิสนธิที่ใดนะระวังก็เท่ากับแสดงแล้วรวมทั้งจุติด้วย ปฏิสนธิภวังจุตินั้นรูปที่เกิดจากภาวังขจิตรูปที่เกิดจากนั้นหลังจากนั้นไปก็ชื่อว่าแสดงแล้วนะนะพันธพูดตรงนี้คือชาติการเกิดมันจบลงด้วยมรณะระหว่างนี้ชื่อว่าแสดงหมดแล้วพันเพราะตัณหาในก่อนเป็นปัจจัยอาจจะอมความไว้กี่ปีะนะจากเกิดไปหาตายเท่าไหร่ดีเอาแปิบก็แล้วกันแล้วคนที่เจดสจเจบเต็มสบไปแล้วก็า 7, กจะหนักใจ แช่งกันนี่ย่งนั้นเอาแปดไปแล้วก็แล้วกันย่งเงคนที่อายุน้อยๆเขบอกโอ้ยอะไรจะนานขนาดนั้นทีนี้ถามถ้าถ้าดับตันหาได้เนี่ยนะถ้าตันหาดับทุกเหล่านี้ทั้งหมดจะดับใช่ไหมบอกใช่ถ้าอาหารดับขออภัยถ้าตันหาดับอาหารทั้งหมดนี้ก็ดับถ้าตันหานี้ดับอาหารสี่เหล่านี้ก็ดับทีนี้ไอไอข้อปฏิบัติเพื่อให้ดับอาหารเหล่านี้คืออะไร คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะคือข้อปฏิบัติที่เข้าไปดับตันหากับดับโลภะในอัตถกาธาน่า้า582อาหารตันหานิโรธาอาหารนิโรโทรความว่าความดับแห่งอาหารย่อมปรากฏเพราะความดับแห่งตันหาที่เป็นปัจจัยของอาหารทั้งหลายทั้งที่เป็นอุปาทิ น, นกะและที่เป็นอนุปาทิ น, นกะเนี่ยนะ ก็คำอธิบายก็ในยะเดียวกันแต่ข้อที่สําคัญที่สุดก็คือข้อปฏิบัติในสัจข้อปฏิบัติคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดกําจัดอะไรกําจัดตัณหาหรือข้อปฏิบัติเพื่อดับตัณหาที่เป็นสาเหตุแห่งอาหารทั้งหลายในอาหารวาระนี้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวถึงสัจจะทั้งสีไว้โดยสรุปแล้ว ในทุกวาระนอกจากนอกเหนือจากนี้ไปคือหลังจากนี้ไปก็ได้กล่าวสัจจะสี่ไว้เหมือนกันผู้ที่ศึกษาไม่ควรหลงลืมการยกสัจจะทั้งหลายในทุกวาระเนี่ยนะประมวลทุกเทศนะลงในทุกๆุกวาระนี่แนหะมันจะจบลงด้วยการแทงตลอดใช่ไหมว่าอาหารเป็นทุกสัตว์อาหารสมุทัยเป็นสมุทยาสัจจะอาหารนิโรธเป็นนิโรธสัจจะอาหารนิโรธคามินีปฏิปทาเป็น เป็นมัคคสัจจะใช่ไหมย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างพวกทุกเหล่านี้เนี่ยนะอาหารสีนี่คือทุกขสัจจะอัถาของทุกขสัจจะคืออะไรหนึ่งปีละนะแปล ว, ว่าเบียดเบียนเนี่ยนะถามว่า ก, กับพระลิงกราหานี่มันเบียดเบียนขนาดไหนทุกที่เราจะต้องเลี้ยงดูไอ้กับพระลิงกราหานเนี่ยนะเดือดร้อนขนาดไหนทุกเพราะการรับกระทบสัมผัสเนี่ยขนาดไหนทุกเพราะเจตนาทั้งหลายเนี่ยขนาดไหนทุกเพราะ ปฏิสนธิจิตหรือจิตทุกดวงนี่จะทุกขนาดไหนเรียกว่าปีละนะเบียดเบียนสันตาปะสันตาปะก็สันดาบมันร้อนนะแต่ละอัานนี่ร้อนหมดเลยไม่เชื่อเราไข้ขึ้นเลดิแล้วก็อะไรสังคตะปรุงมากเหลือเกินนะ่ยนะชีวิตทั้งรูปธรรมและนามธรรมกว่าจะได้ขนาดนี้เนี่ยปรุงแต่งเหน็ดเหนื่อยจนอยู่นิ่งๆไม่ได้ก็แล้วกันนะแล้วก็อีกสุดท้ายแต่ก็ใช่นะจะเลี้ยงดูดีขนาดไหนก็วิปริณามะในที่สุดก็ เธอเคยเห็นกับพลิงกราหานเที่ยงไหมวิญญาณอาหารเที่ยงไหมภาษาอาหารเที่ยงไหมมโนสัญเจตนาอาหารเที่ยงไหมวิญญาณอาหารเที่ยงไหมพราะความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายก็คือปีรณนะเบียดเบียนสันตาปะเร่าร้อนสังคตะอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นในที่สุดก็วิปริณม์สลายไปแต่ก็อันนี้ผลนะแล้วเหตุล่ะถ้ายังมีตันหาตันหาในตันหาที่เป็นมูลของวัตฏะอยู่ อายุหันะยังไงก็ต้องประมวลมาเพื่อพบใหม่ใช่ไหมประมวลเพื่อพบใหม่อายุหันะเสร็จแล้วก็อะไรนิธานแปลว่าเขามอบให้เลยเนี่ยนะไปมอบปฏิสนธิให้ถึงที่เลยไปมอบให้ถึงคันถึงไข่เป็นต้นไปนะไปมอบให้ถึงนรกเป็นต้นนิธานนี่ขยันจริงๆแล้วก็เป็นสังโยคสังโยคะเนี่ยโยคะแปลว่าประกอบเนี่ยนะประกอบเอาไว้หมดเลยนะไม่ให้หลุดกันง่ายๆหรอกสุดท้าย ปริโพธะกังวลอยู่นั่นแหละปริโพธ์แปลว่ากังวลมันคอยเป็นห่วงคอ ย, คอยกังวลไม่ใช่จะออกง่ายๆหรอกเนี่ยนะก็บอกปลายๆให้แค่ได้ไปฟังทำแค่นั้นแหละจะต้องกลับตามเวลาเป็นต้นเนนะเพคอยเป็นห่วงเป็นใ ย, ยตลอดนั้นสมุทัยศาสตร์นั้นจะเป็นอายุหนะนิธานะสังโยคะและตริโพธิ์ทีนี้ตรงกันข้ามถ้าจะดับนะถ้าตัณหาดับอาหารทั้งหมดก็ดับถ้าจะดับตัณหาได้ก็ต้องรู้ทำเป็นที่สลัดออก นิสระนะผันต้องมีอัธยาศัยที่เราเรียกว่าน้อมไปเพื่อการสลัดออกใจน้อมไปเพื่อการสลัดออกการสลัดออกนั้นเป็นอะไรเป็นวิเวกเนี่ยนะต้องสงัดจากอาหารสังัดจากเหตุเกิดของอาหารสงัดจากสังคตะธรรมแล้วก็ต้องเป็นอสังคตะแปลว่าทมที่ดับสังคตะเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะจะต้องแทงตลอดทมที่ดับสังคตะเหล่านี้ทั้งหมดอันสุดท้ายก็คืออมะตะ เป็นธรรมที่ไม่ตายเนี่ยนะเป็นธรรมที่เป็นถ้าตรัสรู้แล้วพ้นจากความตายอันนี้ก็เป็นอัฏฐะของนิโรธสัจจะแต่ถ้าจะให้บรรลุข้อปฏิบัติเหล่านี้จะต้องมีอะไรนิยานิกะเนี่ยนะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เป็นนิยานิกะเป็นญาณที่นําออกจากทุกเป็นเหตุให้ประสบกับอมตะสุขเหล่านั้นจะต้องมีญาณคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะพี่เป็นนิยานิกะญาณที่นําออกจากทุกแล้วก็ต้องเป็น เหตุเพราะว่าอริยมรรคเป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพานดังกล่าวไปอริยมรรคนั้นเป็นทัศนะคือเป็นธรรมชาติที่เห็นพระนิพพานสุดท้ายอธิปตีอธิปัยยะอธิปไตยนั่นแหละแปลว่าไม่ได้เป็นธาตุเป็นอธิปไตเนี่ยนะอธิปตัยยะก็คือเป็นผู้มีอธิปไตยเป็นของตัวเองนะมีอริยทรัพย์เป็นของตัวเองมากมายไม่เหมือนกับทุกขสัตว์ที่มันเป็นมหาภาระในการเลี้ยงดู แต่ว่าถ้าปฏิบัติตามอริยมรรนประกอบไปด้วยองคปดเป็นยานที่นําออกจากทุกเป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพานเป็นเห็นพระนิพพานแล้วก็ยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะมีชั้นทาธิปฏิวิริยาติปฏิจิตตะทิปฏิและวิมังสาทิปฏิเนี่ยนะเป็นอธิบดีมีคุณธรรมยิ่งใหญ่จริงๆเพราะมีธรรมที่ยิ่งใหญ่เกิดร่วมด้วยมันถ้าหากว่ารู้าอาหารเหตุเกิดของอาหารความดับอาหารข้อปฏิบัติให้ถึง ความดับอาหารอาหารคืออาหารสเหตุเกิดของอาหารก็คือตันหาเป็นเหตุเกิดแห่งอาหารความดับแห่งอาหารก็คือถ้าตันหาดับอาหารก็ดับอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แลสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสามาธิอันนี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหาร ถ้าเทียบไปตรงๆแล้วเนี่ยถามว่าในบรร namak แ8ดเนี่ยนะอันไหนสําคัญที่สุดสัมมาทิฏฐิสําคัญที่สุดจะต้องเข้าใจโครงสร้างทิศทางของสิ่งเหล่านี้ตอนในเบื้องต้นเข้าใจอาหารเข้าใจวันนี้คือเหตุของอาหารนี้ความดับอาหารนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารความเข้าใจตัวนี้สําคัญที่สุดถ้าอริยสาวกเนี่ยนะรู้ชัดอาหารเหตุเกิดแห่งอาหารความดับอาหารรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารได้อย่างนี้ก็ละราคานิสัยได้ ถ้าได้รับอาหารที่ดีก็ละาาราคานุสัยได้รับอาหารที่ไม่ดีก็ละปฏิคานุสัยได้ถอนทิฏฐิมานะว่าเป็นเราออกไปได้ละอวิชาในสิ่งเหล่านี้โดยประการทั้งปวงทำวิชาคืออาหารหัตตมรรคให้เกิดขึ้นเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละคุณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้อง มีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระสัธรรมนี้แล้วนะถ้าอยากจะมีศรัทธาที่มั่นคงรับมรดกจากพระพุทธเจ้าก็ต้องแทงตลอดดังกล่าวไปเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเดี๋ยวพักก่อนไปจันทร